คือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าทําเมตตาให้เกิดไปที่ใจอย่างต่อเนื่องได้ไหมที่ถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยแต่เชื่เอเถอะว่าถ้าใครเคยทําจนถึงขนาดว่ามีสมาธิระดับหนึ่งแล้วเรื่องตรงนี้จะเชื่อทันทีแีนี้ถ้าตนเองยังไม่เคยฝึกทําอะไรได้เลยเนี่ยนะแล้วไม่เคยนิ่งกับอะไรได้เลยเนี่ยฟังเลยก็ไม่จริงอะ่ะไม่ต้องอะไรมากท่านยกตัวอย่างแม่โคแม่โคตัวหนึ่งกําลังยืนให้นมลูกของตนเองอยู่ ขณะนั้นในพรานเนี่ยคนหนึ่งก็ตกลงใจว่าเราจะแทงมันตังเนี้ยก็ตวัดมือพุ่งหอกเข้าใส่ทันทีแต่หอกนั้นพอไปเจรดลําตัวของแม่โคนั้นก็ม้วนพับลงเหมือนกับใบตาลเลยนี่ไม่ใช่เป็นด้วยกําลังของอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิเนี้แต่เพราะความที่แม่โคตัวนี้มีใจรักลูกที่มีเมตตาต่อลูกกําลังให้นมลูกอยู่ เมตตามีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ถึงอย่างนี้ขนาดสัตว์เดรัจฉานยังป้องกันตัวเองได้แม้ขณะที่ตนเองกําลังทําใจรักโลกอยู่ตอนนั้นน่ะในพานเอาหอกพิมพ์เด็มที่เนี่ยไม่เข้าแต่ไม่รู้ครั้งที่สองเข้าบ้างหลังจากตกใจนะแต่ครั้งแรกนะี่ยไม่เข้าเข า, าตอนนั้นใจเป็นไปกับเมตตาโอ้โหถ้าอย่างนั้นนนะ่ยคนบางคนเขาบอกอหเขาไปหาเอก พระป้องอายุยงคงกับพันกันใช่ไหมอุ่นไม่ต้องหาเลยตอนนี้ยเนี่ยเจริญเมตตาเนี่ยเออไม่มีใครทําร้ายได้แต่มีข้อแม่อีกเหมือนกันว่าใจต้องเป็นใบกับเมตตา เ, เออใจถ้าใจเป็นใบกับเมตตาเจริญเมตตาดีๆล้วไปอยู่ภาคใต้กันเยอะๆไม่เป็นอะไรเลยกดระเบิดไม่ติดแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ได้ไปพูดเป็นเล่นนพูดนี่พู ด, พดจริงๆ มีนัยยะเหมือนเล่นแต่จริงเพราะว่าเมตามีมีมีอนิสงส์นี้คนไม่ค่อยอบรมไม่ค่อยเยริญกันจริงๆก็ไม่เห็นอนิสงส์ของเมตานีประการที่แปดก็คือว่าจิตเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วอธิบายว่าเมื่อพิจารณากรรมฐานจิตของเมตาวิหารีบุคคลก็เป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วเนีไม่มีความเฉยชาเลยก็หมายความบอกว่า ถ้าลองเจริญเมตตาให้เป็นอัธยาศัยดูแล้วกลับไปเจริญสมาธิดูเนี่ยแล้วจะรู้สึกว่าเออตอนเองเนี่ยจิตนิ่งเร็วมากแล้วเวลาอยู่ต่อนหน้าคนก็นี่เช่นอยู่ต่อนหน้าคนเยอะๆนี่นะไม่น่าจะนิ่งแล้วน่าจะโอ้โหฟุ้งซ่านฟังคนนั้นคนเนี้ยถ้ากําหนดความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวในขนาดนั้นเลยอันนี้ทดสอบได้เลยเอาตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือมั ว่าจิตนั้นสามารถรวบรวมเป็นสมาธิได้เร็วมากแั๊บเดียวกคนท่นเองเป็นสมาธิแล้วเพราะว่าฝึกได้ดีเพราะว่าใจเป็นไปกับเมตตาเมตตาเป็นกุศลจิตนี่เพราะกุศลจิตเกิดขึ้นก็มีอะไรกายะปัสสธิจิตตะปัสสติกายะละหูตาจิตตะละหูตากายุมูทุตาจิตตุมูทุตาเป็นต้นใช่ไหมคือความเบาของจิตความสงบของจิตความควรแก่การงานของจิตของเจตศิลป์เบนเตอร์เหล่านี้ มันก็จะมาประครับประคองจิตที่เป็นไปกับเมตตาที่เป็นไปกับกุศลเมื่อกุศลจิตที่เป็นไปกับเมตตาเกิดอย่างต่อนเนื่องนี่นะไอ้ตรงเนี้ยสมาธิจะเกิดเลยพอจะเพ่งจิตลงสู่สมาธิไม่เฉยชาเลยยังเฉยชาเ น, น, นีบางคนทำสมาธิก็ไม่ได้จิตจะเป็นสมาธิสักหน่อยก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อบรมไม่เจริญไม่ได้ประการที่เก้าผิวหน้าฟองใส ผิวหน้าผ่องใสาบาลีว่าไงมหาบาลีว่าไงนน อ, อมุกขวันโนใช่ไหมโมคควันโนหมายความบอกว่าวันหน้าผิวหน้าผ่องเออถึงอายุมากก็ผ่องหรือ อ, อย่างนี้ดีนะเป็นผู้สูงอายุกันก็เป็นผู้สูงอายุที่หน้าตาผ่องใสใช่ไหมเออมันดีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเตรียมตัวไว้เตรียมตัวให้ลูกหลานเขาชื่นใจ โอ้ป้าเอยยายเอ้ยน้ยายเอ ย, นะเอยผิวหน้าผ่องใสแนะะ่เลยเนี้ยที่ไหนได้เรามีเมตตาจากมเมตตาในจิตเพราะเราจะไปมัวใสเครื่องประดับข้างนอกให้ผ่องใสนี่ไม่ใสแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องล้างออกเดี๋ยวก็ต้องล้างออกแต่ว่าถ้าจเจริญเมตตาแล้วผิวหน้าจะผ่องใสเมตตาวิหารีบุคคลมีผิวพรรณผ่องใสเหมือนอะไรรู้ไหม เหมือนตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ๆเมื่อใสยอย่างนั้นเน่ก็ไปดูตาลสุกที่มันหล่นใหม่ๆ ม, ม, มันใส ย, ยังไงจะจะเป็นรักษณะอย่างนี้แหม่ฟังแล้วมันอยากจะทำให้มันได้เดี๋ยวนี้เลยเนะี่ยเป็นอย่างนั้นไหมอยากให้ทำเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวนี้เนยะนึกในใจย้อนมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วถ้ารู้ว่าเมตตาดีอย่างนี้ปันนี้คงไม่เป็นแบบนี้ก็นไม่รู้อ่ะผู้บรรยายก็ไม่รู้นะ ศึกษาพระธรรมก็เลยไปเลยมาอยู่นี่แหละไม่รู้นะว่าเมตตาดีขนาดนี้ลืมคิดไหแม่ทั้งนั้นไม่ปล่อยให้โสมขนาดนี้ <c oughs> เอาไม่เป็นไรใช่ไหมถึงรู้สายก็ไม่เป็นไรตั้งตั้งตัวใหม่ตั้งตัวเ ม, ม, มื่อสามสิบปีที่แล้วไม่รู้แม่ถ้ารู้เมื่อสามสิบปีที่แล้วนี่สบายแล้วอนนีผิวหน้าไม่งั้นผิวพรรณไม่ไม่ดูหน้าเกียดอย่างนี้ ประการที่สิบก็คือว่าไม่หลงทําการกิริยาคําว่าไม่หลงทําการกิริยาอธิบายว่ายังไงตายด้วยการหลงย่อมไม่มีแก่เมตตาวิหารีบุคคลหลงตายหรือตายด้วยการหลงเมตตาวิหารีบุคคลไม่หลงทํางานกิริยาเลยเนะี่ยเมื่อตายก็ตายเหมือนกับคนนอนหลับตายคนนอนหลับตายเนี่ยกับคนตายแบบไม่ใช่ไม่เหมือนคนนอนหลับต่างกันเลยนะ บางคนตายแบบมีกังวลมากแล้วก็นั่งคิดดูนะว่าเออถ้าเราต้องการกจะตายแบบมีกังวลกับตายแบบไม่มีกังวลได้ไหมเพราะมันยังไงยังไงมันต้องตายอยู่แล้วนะและ้วก็เตรียมตัวตายมันมีอีกคนค น, คนหนึ่งเขาเล่าอีกตอนเราบอกท่านถ้าโยมตายเนี่ยเด็กแกบอกก็สั่งลูกสั่งหลานกันไว้ถ้าถ้าตายแล้วมันดูไม่ดีนี่ท่านอย่าไปดูโยอ ม, มนมึกว่อายหน้าดูเลยก็ ออตายยังกลัวท่าไม่สวยอีกคนบางคนขนาดนั้นนึงเออมันมีนะมีบางคนที่เขาเขาเขาเขาไอรับย้างแต่งศพเลยเนะยเขาต้องการให้ศพสวยเออแต่งยังไงมันก็ไม่สวยนะคนตายแล้วเนะี่ยแต่งไม่สวยแต่งยังไงก็ไม่สวยปล่อยเออไม่อะไรแล้วไปเป็นอาจารย์ใหญ่ดีกว่าตายแล้ว การให่จะอยู่ตามโรงพยาบาลสิริราชบางโรงบา ล, ล, าลบาจุฬาบางจนนุดนอันนี้เขาเรียกไม่หลงไม่หลงตายไม่หลงทํางานเกริยาประการที่สิบเอดเมื่อไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงหมายความว่าถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระโซดาบันสกาธาคานาคาและพระรหารอย่างต่ําจะบังเกิดในพรหมโลกนั้นเมตตาวิหารีบุคคลเมื่อ ย, ยังไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยศาสตร์เป็นพระทหารเป็นต้นนหนึ่ง ขั้นเคลื่อนจากมนุษย์นี้แล้วก็จะเข้าถึงความเป็นพรหมโลกทันทีเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเลยอันตรงนี้ก็คือว่าเป็นอัิสง่์องของคนเขาได้ฌานได้สมาบัติอันนั้นก็ไปพิจารณานี้อันิสองสิบเอ็ดประการนะนอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเฝ้ารักษาไปยาพิสตราไม่กล่อมไกลในตัวของเขา จิตเป็นสมาธิได้เร็วคือจเจริญกรรมาฐานจิตเป็นอุปจาระและอัปนาสมาธิได้เร็วผิวหน้าก็ผ่องใสเหมือนลูกตาลสุกที่หล่นจากขั้วไม่หลงทำงานรกิริยาคือคล้ายกับนอนหลับไปเฉยๆถ้าไม่บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอย่างต่ำก็ไปเกิดในสรหมโลกก็พิจารณาถึงอ น, นิสงส์11ประการนี้บอกถ้าเจ้าจักไม่ทาจิตที่โกรธแค้นอยู่นี้ ให้ดับไปแล้วเจ้าจะเป็นคนอยู่ภายนอกอานิสงส์สิบเอ็ดประการนี้ก็ก็เตือนตัวเองอย่างเงี้ยเออถ้าโกรธอยู่นี่นะอา น, นิสงส์สิบเอ็ดประการนี่เจ้าไม่ได้กินหรอกเขาพูดอย่างนั้นานาะคือไม่ได้กินนะใช่ไหมดงั้นเราก็เอามาขู่ตัวเองบ่อยๆเดีก็อยากจะเจริญเมตตาต่บอกไอ้ทํำยังไงก็ใจก็ไม่เอาใช่ไหมก็ท่องอา น, นิสงส์สิบเอ็ดประการบอกเนี่ยอา น, นิสงส์สิเอ็ดประการนี้อยากได้ไหมอะไรเงี้นนะปราถนาไหม นอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์หนึ่งเทวดาเฝ้ารักษาไัยาพริตตตาไม่ทําร้ายจิตเป็นสมาธิผิวหน้าผ่องใสไม่หลงทําการกิริยาทําไม่ได้คุณธรรมเบื้องสูงอย่างต่ำเป็นพระพรมนะื้เนพิจารณาอย่างนี้ก็ก็ทําให้เราอยากจะอยู่กับเมตตาเนี่อันนี้เอามาสาธยายเอามาตรึกบ่อยๆแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่การทําให้เรา จเจริญได้ถ้าหากไม่คิดเรื่องเหล่านี้นะมันก็ไม่เอาใจอยากเอาที่ไหนเพราเราคิดเรื่องอื่นมาตลอดใช่ไหมมันคิดเรื่องอื่นจนชินเมนแลเจียของเราเนี่ยมันไม่คิดในเรื่องกรรมฐานเท่าไหร่ประการที่เก้าท่าโยคีบุคคลไม่สามารถที่จะทําความโกรธแค้นให้ดับลงด้วยอุบายวิธีดังแสดงมานี้แล้วก็ถือเอาคู่เวรมาพิจารณาแยกให้เป็นเพียงสัตว์แต่ว่าท่าส่วนหนึ่งเท่านั้นเออพิจารณาท่าพิจารณายังไง นี่แน่พ่อมหาจำเริญอันนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตั้งประเด็นตัวเองเอาเองนะแม่มหาจำเริญพ่อมหาจำเริญก็ตั้งไปเรือนตัวเองเนะี่ยเมื่อเจ้าโกรธคู่เวรของเจ้านะเจ้าโกรธอะไรของเขาเล่าเพางั้นนะในอาการสามสิบสองเน่ยเจ้าโกรธผมหรือขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามโกรธหัวใจตับพังผืดไตปอด หรือว่าโกรธไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่มันสมองเจ้าโกรธดีโกรธสเลตหนองเลือดเหงือมันข้นหรือหรือว่าโกรธน้ําตาลน้ํำเหลวน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ํามูดหรือเจ้าโกรธธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟหรือโกรธธาตุลมว่างั้นก็อเอาธาตุเหล่านี้มาแยกแยะมาพิจารณามาไข้ควรอย่างโยงมพิก็มาพิจารณาบ่อย ใช่ไหมอาการสามสิบสองเอามเมตาไปผสมเลยสมมติถ้าเราจะโกรธใครขึ้นมาเอามาแยกแย่เลยแยกแย่พิจารณาสมมติถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งก็เอามาวิจัยให้ละเอียดเลยใครจะรู้ว่าโอ้โหเขาวิจัยเราจะละเอียดหมดแล้วเออดีอย่างนี้นะศึกษาคําสอนเนี่ยว่าเรามองหน้าใครเนี่ยเราแอบเอาคนคนนั้นมาวิจัยซจนโอ้โหไม่เป็นชิ้นเลยนะวิจัยเป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเอามาวิจัยจนละเอียดแล้ว เขาไม่รู้เราเลยนะว่าเราแอบเอาร่างกายเขามาวิจัยหมดแล้วนี่เป็นอย่างงี้เคยทําแบบนี้ไหมถ้าเอามาวิจัยอย่างนี้คือเอาทุกๆคนมาวิจัยเลยใครก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกมันจะได้ไม่โกรธในอารมณ์นั้นเช่นถ้าเราเกิดขัดเคืองขึ้นมาก็มาวิจัยเลยเอาผมของคนนั้นมาวิจัยเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเอ็นเอากระดูกเอาเยื่นในกระดูกเอาม้ามมา ที่เราโกรธตับไ ต, บตปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือน้ำตามันน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อหรือว่าโกรธธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเอามาวิจัยอย่างนี้เนี่ยแล้วแล้วเราเล่าพิจรนารณาเด็กอ่ะถ้ายังไม่หายโกรธเอาขันห้าอายตนาสิบสองธาตุสิบแปดมาวิจัยต่อบอกว่าเออเจ้าโกรธรูปประขันหรือว่ยในบรรดารูปประขันรูปยี่สิบแปดเนี่ยมหาโพธิ ร, รูปสี่อุปาทายรูปยี่สิ สีเนี่ยนะก็มาไล่วิจัยดูเอ๊ะดูว่าโกรธเวทนาขันธ์โกรธสังขารขันธ์โกรธวิญญาณขันธ์โกรธสัญญาขันธ์แล้วก็ไปไล่ลักษณะว่าอายตนะจักขวายตนะรูปายตนะรือโกรธโสตายตนะศัทธายตนะคานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะราสายตนะกายายตนะผูถภาายตนะมนายตนะหรือทำมมายตนะใช่ไหม แล้วกดรูปเขาหรือกดตาของเขากดหูของเขาหรือกดเสียงของเขาเห็นไหมกดจมูกหรือกดกลิ่นกดลิ้นหรือกดรสกดกายหรือกดผัสสะกดใจเขาหรือโกดธรรมารมมันก็ไปแยกแยงหรือกดจักขู่ธาตุหรือรูปธาตุหรือจักขูวิญญาณธาตุหรือตัต่ธาตุสารธาตุตัต่วิญญาณธาตุคานะ คานาธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุคิวหาธาตุพระสาธาตุคิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธิพาธาตุแล้วก็กายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุแล้วก็มโนวิญาณธาตุก็ไปไล่พิจารณาลักษณะอย่างเนี้พโยคีบุคคลพิจารณาแยกแยะยกคู่เวนนั้นออกโดยสภาวะที่เป็นธาตุคือเป็นเพียงชิ้นส่วนอันหนึ่งหนึ่งประกอบไปไว้ด้วยแสดงดังที่กล่าวมาเนี่ย ปัญญาไปพิจารณาทราบทราบชัดว่าฐานสําหรับที่จะรองรับความโกรธย่อมไม่มีในคนคู่เวรนั้นถ้าไปแยกแยะพิจารณาอย่างนี้ไม่มีฐานไม่มีที่รองรับที่เราจะไปโกรธใช่ไหมไหนที่เราโกรธเพราะเราแยกชิ้นส่วนเขาไม่ได้หัดแยกชิ้นส่วนให้ได้แล้วเราก็จะไม่โกรธอารมณนะ์นั้นอันนี้คือกลุ่มผู้มีปัญญานที่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ยากอันนี้หมายความว่ากลุ่มที่พิจารณาอย่างนี้ได้ก็แปลว่า มีปัญญานะประการที่๒ก็คือว่าโยคีบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะพิจารณาแยกแยะธาตุดังแสดงมาพึงทําการให้ปันสิ่งของไว้ไม่ต้องเลยย่อมเนี่ยมาพิจารณาอย่างนี้นะพึงให้เป็นสิ่งของของตนแก่คู่เวรตามตนเองก็ควรจะรับสิ่งของของคู่เวรด้วยถ้าคนที่เป็นคู่เวรมีอาชีพบกพ้อง มีเครื่องบริขารชำรุดใช้สอยไม่ได้ก็พึงให้เครื่องบริขารของตอนนั่นแหละกระเธอพระโยคีบุคคลทำการให้ปันสิ่งของอย่างนี้ความมาคาดเคียดแค้นก็ยัยระงับลงไปสนิททีเดียวแม้แต่ความโกรธของคนคู่เวรซึ่งติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็ระ ง, งับลงได้ทันทีเ้าบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอความโกรธแค้นเนี่ยมันไม่ใช่แต่เพิ่งเป็นเนี่ย มันติดมาจากอดีตชาติเลยนยบางอย่างให้สังเกต ด, ดูนะว่าคนบางคนเนี่ยพอเห็นหน้าก็มันมันคุ่นเคืองยังไงไม่ชอบไม่ชอบใจแล้วไม่ใช่แต่เราในยะหลายๆคนเราก็ไปแอบถามคนอื่นใช่ไหมเออคุณเห็นหน้าคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดไหมเออเป็นเหมือนกันก็ว่ า, างั้นนะแสดงให้เห็นชัดว่าบางครั้งเนี่ยอารมณ์บางอย่างเนี่ยก็าบอกมันติดมาตั้งแต่อดีตชาตินั้น มันไม่ใช่พึงติดมานยะมันติดมาตั้งแต่อดีตชาติถ้าอารมณ์ที่ติดมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยจะระ ง, งับได้ด้วยการให้ปันสิ่งของให้ปันสิ่งของมีเรื่องอยู่เรื่องมีเขาบอกว่าพระมหาเถระได้บาตซึ่งพระปินทปาติกาเถระผู้ถูกขับออกจากเสนาสนะในวัดจิตตะบรรพธสามครั้งมอบถวาย พร้อมกับเรียนว่า บ, บาทนี้มีราคาแดกระหาปปนะอุบาสิกาซึ่งเป็นโยมหญิงของกระผมถวายเป็นลาบที่ได้มาโดยชอบในขอท่านได้ ก, กรุณาทำให้เป็นบุญยาลาบแก่มหาอุบาสิกานั้นด้เทิขึ้นชื่อว่าการให้ปันสิ่งของด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่เช่นนี้โวราณอาจารย์ท่านประพันธ์ก็ไว้บอกว่าอาทันตะธมนาังทานัง นานังสัพพะถาสาทะกันดาเณนาปิยาญาญาอุณมัตินัมันติจกาการให้ปันเป็นอุบายทรมานคนพยศให้หายได้การให้ปันเป็นเครื่องบัรดาให้ประโยชน์ทุกๆอย่างสำเร็จได้ผู้ให้ปันย่อมฟูใจขึ้นฝวายผู้รับปันย่อมอ่อนน้อมลงทั้งนี้ด้วยการให้ปันด้วย เป็นวาจาอ่อนหวานเป็นเหตุเชนี้เออถ้าเราบอกว่าเราโกรธใครหรือใครโกรธเราอยู่ถ้าเรามีของที่มีค่าที่เราลักมากๆก็เอาของสิ่งนั้นไปมอบให้เขาเนี่นึงไอความที่เคยโกรธติดพันกันมามันก็จะสะดุดลงทันทีเลยว่ะเอออย่างนี้มันทดลองได้เลยนะไม่ใช่ทดลองทำได้เลยอันนี้เคยทำบ่อยอเนี่ย เคยแต่เราไม่ได้ไปโกรธเขาเนื่องแต่รู้ว่าเออคนคนี้เขาไม่ค่อยพอใจเราเนี่ยเนี่ยแต่ขอให้รู้แค่นั้นเน่ยก็จะพยายามคิด อ, อ่ะหาอะไรดีนะดีคนคนนี้ชอบออันนี้นะเท่าที่สังเกตแล้วก็เคยทํามาบ่อยพอรู้ว่าเออท่านผู้นี้ชอบอันนี้ก็เอาไปให้เดินเดินไปเออนี่ให้นี่อู้เขาดีใจใหญ่นะเขาดีใจบางทีบางทีเคยเคยเรียกมาก็มี เคยเรียกมาลองอยากอยดูสีหน้าดูอ๋อได้ข่าวว่าชอบตำชอบตําหนีชอบอะไรต่างอ๋อให้ของหนึ่งเขาเชื่อใจใหญ่เลยนะเขาเอาทันทีเลยนะนึกโอ้เนี่ยมันช่วยได้อย่างีๆไม่ใช่ไปกลัวนะคนว่าหรือคนตําหนีแต่เพียงว่าไม่อยากให้เขาทําบาปใหญ่เขาได้บุญแล้วเขาจะหาตรงนี้เราก็ไปพิจารณาก็ไปแยกแยะแล้วก็ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูก กาลเทศะจะเป็นไปลักษณะอย่างเออประการต่อมาก็คือลักษณะของสีมาสัมเพสตรงนี้สาคัญมากการเจริญเมตตาเนี่ยลักษณะของเมตตาที่จะเป็นสีมาสัมเพสนะเนอะสมมติว่าขณะที่โยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากรรมฐ า, านนั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนที่เรารักหนึ่งคนที่เรารักสองคนที่เป็นกลางๆงและคนที่เป็นผู้เวีนแล้วก็ตนเองเป็นพี่สเนี่ยนะ ตนเองมีอยู่แล้วคนที่เราลา้าคนที่เป็นกลางๆแล้วก็คู่เวรเนี่ยทีนี้ถ้ามีพวกโจรเข้ามาหาแล้วก็พูดว่าท่านครับเนี่ยนะขอจงให้ภิกษุแต่เราสกรูปหนึ่งเถิดโยคีบุคคลถามว่าจะเอาไปทําไมพวกโจรก็ตอบว่าจะฆ่าแล้วเอาเลือดลําคอทําพิธีกรรมหรือจะจะเอาคนหนึ่งเนี่ยไปฆ่าถ้าโยคีบุคคลนั้นตัดสินใจว่าจงเอารูปโน้นรูปนี้ ไม่ชื่อว่าทําเมตตาให้เป็นสีมาสำเพ็จนั้นเมตตาสีและสมเพทเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะว่ามีความรักในตนเองอย่างจับจิตจับใจแล้วก็รักกับคนที่เราเคารพบูชาหรือมีความรักน้ำถือก็อย่างจับจิตจับใจเหมือนกันแล้วก็รักที่คนที่เป็นกลางๆ ก, ก็รักแบบจับจิตจับใจเนียตลอดถึงคนที่เป็นคู่เวรกันสิตนเองคนที่เราเครารพรักคนที่เป็น ก, ากลางๆงแล้วก็คู่เวร มีความรักเสมอเสมือนกันหมดเลยทีนี้เมื่อมีความรักเสมอเหมือนกันหมดถ้ามีโจรมาบอกว่าเออท่านอยากให้เราฆ่าใครในสี่คนเนี้ตัวท่านเองคนที่ท่านเคารพรักคนที่เป็นกลางกลางคนที่เป็นคู่เวรถ้าคนที่เจริญเมตตาบอกว่าคนน้นคนนี้แสดงว่ายังไม่ถึงสีมาสำเพศการจะถึงสีมาสำเพศได้นั้นเน่ยจะต้อง ไม่สามารถที่จะบอกให้เอาใครไปได้เพราะว่ามีความรักเท่ากันหมดแต่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะถ้าไม่รู้เรื่องแบบตัดสินใจไม่ถูกเพราะคิดไม่ออกตกอกตกใจอันนี้ไม่ใช่สีมาสาเพศเพราะเหตุที่พระโยคีบุคคลมีความปรารถนาให้โจรเอาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความมุ่งร้ายแก่ผู้นั้น เป็นผู้ยังมีความปรารถนาดีในรูปอื่นจิตไม่เสมอในบุคคลทั้งสี่ทีนี้ต่อเมื่อบุคคลหรือผู้ปฏิบัตินั้นไม่เห็นคนที่ควรจะทำให้โจรแม้สักคนหนึ่งในจำนวนสี่คนวางจิตไว้เสมอทั้งตนและคนทั้งสามนั้นจึงได้ชื่อว่าเมตตาเป็นสีมาสำเพทวลาอาจารย์ท่านบอกว่า ภิกษุผู้เจริญเมตตากรรมฐานตราบใดที่ยังเห็นแตกต่างกันอยู่ในบุคคลสี่จำพวกคือตนคนที่เราลักคนที่เป็นกลางๆงคนที่เกียจชังในคนใดคนหนึ่งเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้มีจิตปรารถนาดีในสัตว์ทั้งหลายแต่ยังไม่จัดว่าเป็นผู้มีความรักด้วยเมตตาแท้หรือเป็นผู้มีกุศลอันประเสริฐต่อเมื่อใดภิกษุนั้นทําลายขอบเขตแห่งเมตตา ทำลายขอบเขตแห่งเมตตาก็คือว่าบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นเสียได้จึงจะแผ่เมตตาแท้ไปทั่วโลกมนุษย์กับทั้งโลกเทวดาอย่างสม่ำเสมอกันขอบเขตแห่งเมตตาไม่ปรากฏมีแก่ภิกษุใดเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่กว่าคนที่ยังเห็นแตกต่างในบุคคลสี่จำพวกข้างต้นนั้นฉะนั้นสีมาสำเพ็เท่ากับเป็นปฏิภาคคานิมิต ถ้าบอกว่าเออปฏิภาคคณิมิตของเมตตาเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าโยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากรรมฐานเนี่ยสําเร็จถึงขั้นปฏิภาคคณิมิตรหรืออุปจารสมาธิแล้วเนี่ยทั้งนี้ตลอดเวลาที่สีมาสัมเพียังเป็นไปอยู่อย่างสม่ําเสมอนั้นอธิบายบอกว่ากรรมฐา น, นอื่นๆเช่นกสินเนี่ยนยกะกสินกรรมฐานหรือว่าพวกปัทวีอโปเดชโชเนี่ย ปฏิภาคคณิมิตปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์ของชานจิจิตคือเด่นชัดในอารมณ์นั้นเลยใช่ไหมถ้าพวกกรรมฐานอื่นๆโดยอาศัยอุคหานิมิตนิมิต ท, ที่มาด้วยภาวนาซึ่งเรียกว่าดวงกสิณเป็นต้นเนี่ยส่วนเมตตากรรมฐานเนี่ยไม่มีปฏิภาคคณิมิตปรากฏให้เห็นเหมือนอย่างนั้นแต่สีมาสัำเพอันมีลักษณะดังแสดงมาแก่บุคคลที่บรรลุแล้วจัดเป็นปฏิภาคคณิมิตในที่นี้ ได้ลักษณะอาการคล้ายกับปฏิภาคคณมิดในกรรมฐานอื่นเพราะว่าเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตากรรมฐานจนสําเด็จถึงสีมาสําเพสแล้วเนี่ยด้วยเหตุที่ภาวนานั้นมีกําลังแก่ก้าไอตัวนิวรธรรมนะคือกามฉันทาพยาบาทถีนมีท้าอุทะจะกุกุจักและก็วิจิกิจฉาก็จะสงบลงอันเป็นสตรูของฌานนั้นเองนีพระโยคีบุคคลสามารถข่มกิเลสข่มนิวรธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็น จิตที่แนบหรือเป็นอุปจาแลสมาธิเป็นต้นฉะนั้นคําว่าสีมาสำเพ็ก็แปลว่าจิตใจนั้นอยู่ในระดับที่ว่าถ้าว่ากันง่ายๆคือเจริญให้กับตนเองก็ชัดให้กับคนที่เรารักก็ชัดอยคนที่เป็นกลางๆก็ยกขึ้นมาจนเป็นที่รักได้แล้วคนที่เป็นคู่เวรเสมอกันแล้วเมื่อเสมอกันเบ็ดเสร็จในที่สุดสูงไปนั้นก็คือทําลายขอบเขตได้จนสามารถ แผ่ให้กับมนุษย์ได้เทวดาทั้งหลายทวดทุกมุมโลกได้หมดเลยในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่าได้หมดทุกทิศเลยเนี่ยนะถือว่าโอเคใช้ได้แล้วฉะนั้นพโยคีบุคคลเจริญกรรมฐานถึงขั้นสีมาวสัมเพั้นคราวนี้ทรราําสีมาสัมเพัานแหละให้เป็นนิมิตรกรรมฐานแล้วพยายามส่องเสรนิมิตนั้นให้มากขึ้นทําให้เจริญขึ้นเพียรให้มากๆ ตามแล้วซ้ําเล่าพระโยคีบุคคลก็จะบรรลุถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นไปนตามลําดับลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตากรรมาฐานนี่นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่ถ้าการศึกษาการอบรมการเจริญเมตตากรรมาฐานเนี่ยประโยคีบุคคลนั้นบรรลุถึงชั้นปฐมมัฌาน ท, ทาานุติยฌ า, านตติยฌานตามจตุคเนย ถ้าตามปัญจมมาไนก็ถึงจัดจตุทชาญคือชาญที่สฉันเมตากมาฐานเนี่ยสามารถยังบรรทมชาญทุติยาชาญตัิยาชาญเป็นต้นใ้เกิดชาญที่หนึ่งสามสี่ได้เนยตามปัญจมมายนทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่สามารถจะทำชาญนาจิตให้เกิดขึ้นก็ต้องอบรมรือเจริญให้ได้เป็นไปตามลำดับเมื่อทำให้เป็นอัธยาศัยแล้วก็จะอานวยประโยชน์ได้อีกเยอะน่ ่ะเดี๋ยวเวลาต่อไปนี้ก็ให้อบรมแล้วก็เจริญกรรมฐานกันสักพักหนึ่งแล้วจะได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลต่อไป